150. โอมุกกะคุนางคุนุปาหานานุชานานาว่าด้วยทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้วเรื่องภิกษุเท้าแตก 247. ครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศถือบาทและจีวร เสด็จเข้าไปบินทบาทในกรุงราชครืมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณนะแต่ภิกษุนั้นเดินขยเยกตามพระองค์ไปเบื้องพระปริศดางอุบาสกคนหนึ่งสวมรองเท้าหลายชั้นมองเห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาต แล้วเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นไหว้แล้วถามว่าทำไมพระกุลเจ้าเดินเขยเะขอรับภิกษุรูปนั้นตอบว่าอุบาสกอัตมาเท้าแตกอุบาสกกล่าวว่านิมนพระกุลเจ้ารับรองเท้าขอรับภิกษุตอบว่าไม่ละพระผู้มีพระภาคทรงห้ามรองเท้าหลายชั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุเธอรับรองเท้าคู่นั้นได้ต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุ ไม่พึงสวมรองเท้าหลายชั้นที่ยังใหม่รูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎ